เราพบกันในสัปดาห์นี้แป๊บเดียวนะคะเป็นสัปดาห์ที่4ี่แล้วขอพระคุณมากเลยค่ะสำหรับเสียงตอบรับรายการนะคะที่เข้ามาเราเป็นรายการที่เราทำขึ้นใหม่นะคะโดยที่มีเนื้อหาของธรรมะที่เกี่ยวข้องกับสังคมเราในด้านต่างๆ แต่ว่าสสัปดาห์ที่ผ่านมาท่านอาจจะบอกว่าเกี่ยวกับการเมืองมากนะคะเพราะว่านาทีนี้อะไรไม่การเมืองไม่ได้ค่ะนะคะท่านแรกค่ะร่วมรายการกับเราแล้วก็เป็นเรียกว่าจะเป็นแขแกรับเป็นพิธีกรประจําของเราก็ได้นะคะท่านมหาวุฒิชัยวัชระเมธีหรือท่านอวอรวัชระเมธีค่ะพระอาจารย์พิเศษบัณฑิตวิทยาลายัยมหาวิทยาลายัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยค่ะกราบานวิชการค่ะ น, นะคะอีกท่านหนึ่งค่ะดรพุทิพงศ์เพียรเสริย ว, วดัดการนักวิชาการอิสระค่ะ สวัสดีค่ะอาจารย์คะนะคะเห็นพระอาจารย์บอกว่ามีลูกศิษย์ลูกขาได้ชมรายการแล้วก็ตกอกตกใจใช่ไหมคะมีรายการเราเกิดขึ้นในสังคมก็มีมีหลายคนบอกว่าเขาเขาไม่เคยเห็นพระมาพูดถึงเหตุการณ์บ้านเมืองมาสักกี่ปีแล้วก็ไม่รู้ค่ะจนตมาก็ต้องบอกว่าจริงๆพระพูดได้แต่ใครก็ไม่รู้บอกว่าพระไม่ควรพูดอ่าใช่ไหมเพราะว่า ในสังคมไทยเนี่ยเราก็มันมันก็เหมือนนิ้วทั้งห้าเนี่ย<า>คุณจะทําตัวเป็นลืมนิ้วโป้งแล้วก็บอกว่ามันเป็นมือได้ไงอ่ะใช่ไหมมันเป็นมือไม่ต้องครบแค่หนึ่ง<า>แล้วเราก็บอกว่าพระไม่ต้องพูดได้ไหมเหตุการณ์บ้านเมืองเนี่ยาอาตมาอยากจะถามว่าแล้วเรามีพระไวไท้ท<า>ําไมค่ะรับสังฆทานอย่างนั้นหรืออสังคมไทยเนี่ยมีพระเอาไว้มีอย่างมีความหมาย ค่ไม่ใช่ยมีเอาไว้เพื่อให้มันครบองค์าพยพ ข, ของสิ่งที่เราเรียกกันว่าสังคมอืใช่ที่จริงสังคมไทยเนี่ยได้มอบบทบาทของพระให้เป็นผู้นําทางจิตวิญญาณแล้วก็ปัญญาค่ะแต่ว่าพอมีปัญหาการเมืองมีปัญหาสังคมมากๆแล้วถ้าพระมาเทศเนี่ยก็พูดง่ายๆว่ามันจะกระทบฝาดใดฝันหนึ่งมากเกินไปเราก็โยนวาทการรมเทศออกมาว่าพระอยากุกงการเมืองแล้วเขาก็โยนวาทการรมเทศให้ประชาชนว่า กรุณาเป็นกลางไม่รู้กลายไหมมันอะไรยังไงเกิดขึ้นอันนี้ดีกว่าเอาเอาหลีกเลี่ยงจากเพระคุณเจ้ามาที่คารวะทําไมจะต้องเป็นการทำไมจะต้องพูดเรื่องเป็นการกันนาทีนี้แล้วทําไมถึงขนาดที่ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองจะต้องบอกว่านาทีนี้ไม่ต้องกลางเลือกข้างไปเลยอาจารย์ผมคิดว่ามันเป็นวัฒกรรมทางการเมืองนะครับเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองของกลุ่มที่มีความรู้สึกว่า ถ้าสมมุติว่าคนเลือกข้างแล้วจะไม่เลือกข้างฝั่งเขาออะ oh. วันนี้เนี่ยผมวันน อ, อยาให้เลือกใช่ไหมอันนี้เนี่ยคือสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นในสังคมไทยในช่วงที่ผ่านมา <Okay. S 2> เพราะว่าความขัดแย้งเกิดขึ้นความขัดแย้งเนี่ยมันเป็นการต่อสู้กันอย่างที่ผมเรียนนะครับว่ามันไม่ใช่เรื่องรัฐทิทางการเมืองที่ต่างกันความคิดทางการเมืองที่ต่างกันแบบที่เอาจารย์ได้พูดถึงคราวที่แล้วผมว่าชัดเจนนั่นคือวิธีคิด ความจริงแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของศีลธรรมของผู้นำํำระบบการคิดและการตัดสินใจของผู้นําเนี่ยว่าเขาทําเพื่อตัวเองหรือว่าทําเพื่ อ, อสังคมหรือทําเพื่อความถูกต้องนะครับก็สรุปได้ว่าท้ายสุดเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องศีลธรรมเรื่องจริยธรรมและคนจํานวนมากก็ออกมาเพื่อจะต่อต้านแล้วก็พยายามจะกดดันให้ผู้นําซึ่งเขามองว่า เป็นผู้ที่ขาดซึ่งจริยธรรมและคุณธรรมเนี่จะต้องพ้นจากตาแหน่งวันนี้ก็เลยเกิดวาทะกรรมเม่อความเป็นกลางก็คือมารอมชอมกันเถอะนะครับแต่รักพ่อกับอะไรนะฮะอยากทะเลากันหรืออะไรใช่ไหมครับพระคุณเจ้าอันนี้ก็ผมว่าเอ่อตอนเนี้มันมันเป็นสภาวะอย่างนั้นซึ่งผมว่ามันสร้างความสับสนอันนี้สําหรับความขออนุ ญ, ญาตให้<อ>ความเห็นของตัวเองเลยนะครับว่าแท้จริงแล้วเนี่ย ไอ้ความเป็นกลางในความหมายที่รัฐบาลพยายามจะพร่ำบอกประชาชนเนี่ยก็คือไม่ใช่เรื่องความเป็นกลางหรอกครับจริงๆเป็นเรื่องว่าอย่ายุ่งกับการเมืองปล่อยไปปล่อยไปปล่อยให้ค้วอํานาจเขาว่ากันเขอเฉยๆและเชื่อว่าถ้าประชาชนอยู่เฉยๆเขาชนะใช่ครับใช่แล้วอันนี้เนี่ยมันขัดกับหลัก พุทธศาสนาซึ่งพระอาจารย์คงจะอธิบายได้ดีกว่าแต่ผมสามารถที่จะพูดในฐานะของคารวะได้ทันทีว่ามันชัดเจนเอวลาเราอ่านเรื่องความเป็นกลางความเที่ยงตรงในพุทธศาสนาไม่ได้หมายความว่าไม่ยุ่งเกี่ยวอืแต่ว่าให้คิดสาระตะด้วยสติปัญญาด้วยจิตที่เที่ยงธรรมแล้วก็เลือกฝ่ายที่ถูกวางใจให้ไม่มีอคติก่อนเปิดรับข้อมูลและใช้วิจารณญาณมาอยากจะสรุปในงานคมของพุทธนะ ความเป็นกลางเนี่ยท่านท่านท่านไม่ได้ทําให้ยุ่งเหยียวย่างที่เราพูดกันทุกวันนี้ไม่ต้องตีความเลย<ะ>ความเป็นกลางในแง่มุมของพูดคือความเป็นธรรมแค่นั้นเองทําอยู่กับใครคนนั้น่ะก็เป็นกลางเป็นกลางก็เป็นธรรมความเป็นกลางไม่ได้อยู่เฉยๆไม่เลือกฝ่ายเดี๋งนั้นเขาเรียกว่าแทงกั๊กอันนี้ใช่อันนี้อันนี้ อ, นอาจอาจจะ ไ, ไม่ใช่บาลี<ก>สันสกฤตแต่ชัดเจนนะครับของเดิมมันไม่ยุ่ง <c oughs> แต่ไยุ่งก็ไม่ได้ทับซ้อนเกินเกินปัญญาเลยใช่ไหมโอนก็ไม่เอาไอ้นี่ก็ไม่เอาอยู่เฉยคอยดูว่าใครจะชนะออกอันนั้นพวกแคนดิดแนนผมว่าชัดเจนก็คือว่าความเป็นกลางนี้ไม่ได้หมายความว่าเลือกดีก็ไม่เอาชั่วก็ไม่เอาเอาดีบวกชั่วหันสองอย่างเงี้ยไม่ใช่เขาการให้ประชาชนเป็นกลางคืออยู่เฉย ซึ่งมันก็ผิดกับหลักของประชาธิปไตยที่เรียกว่าการปกครองที่ว่าเรื่องการเมืองเรื่องกับประชาธิปไตยมันเป็นเรื่องใหญ่เกินกว่าที่จะปล่อยให้นักการเมืองเขาว่ากันไปถูกต้องหรือผูาอำนาจเขาว่ากันไปด้วยนะอาจรย์ใช่ครับเป็นเรื่องที่ประชาชนไม่ยุ่งไม่ได้จริงๆกลับไปหาคําว่าประชาธิปไตยค่ะประชาก็คือประชาชนอธิปไตยเป็นใหญ่ประชาธิปไตยเนี่ยคือประชาชนเป็นใหญ่เป็นเจ้าของอำนาจ ไม่ใช่นักการเมืองเป็นเจ้าของอำนาจนะแม้แต่นักการเมืองเองก็ทำงานในฐานะเป็นตัวแทนของประชาชนค่ะต้องไม่ลืมนะว่านักการเมืองไม่มีสิทธิ์เป็นตัวของตัวเองนะนักการเมืองทุกคนนะคือเสียงสะท้อนของประชาชนเพราะฉะนั้นถ้าคุณทำอะไรแล้วประชาชนเขาเสะท้อนกลับมาว่าคุณทำไม่ถูกนะเจ้าของเสียงเขาท้วงอยู่อ่ะแล้วคุณไม่บอกประชาชนว่าเงียบๆได้ไหมผิดแล้วคุณกำลังทรยศเจ้าของเสียง <laughs> <laughs> นั่นเจ้าของอำนาจตัวจริงอาแต่เขาบอกว่าตั้ง16 19, ล้าน19ล้านนัชเชียเขาอยู่ไง ไอ้เสียงที่ออกมามันไม่มันไม่เท่าไหร่เองพระอาจารย์ก็ย้อนกลับไปอาทิตย์ก่อนที่จะมาบอกว่าคุณภาพของเสียงคุณภาพเสียงได้ใช่ไหมคะไม่ใช่ว่าเสียงคลั่งมากสําคัญเออคุณภาพของเสียงสําคัญกว่าเสียงคลั่งมากนี่คือประชาธิปไตยค่ะอ่าชนิดกลางหรือไม่กลาง หน้าที่ไหนเราเกิดมาเราก็ไม่เห็นใครจะต้องมาเรียกร้องความเป็นกลางกันเท่ากับยุคนี้บ้านเมือง น, นี้เลยนะคะ ถ, ถ้าขออนุญาต เ, เสริมพระคุณเจ้ า, าอยู่หน่อยนะครับก็คือว่าวันนี้เนี่ยเราไม่ได้พูดถึง เ, เสียงโดยปกติ16ล้านเสียง19ล้านเสียงเนี่ยเป็นการหย่อนบัตรนะครับออไอการที่มีคนหย่อนบัตรเอาอะไรอย่างหนึ่งเนี่ย ไม่ได้แปลว่าอันนั้นคือความถูกต้องนะครับความถูกต้องก็คือความถูกต้องคนคนึงเนี่ยกับคนสิบคนหรือร้อยคนเนี่ยคนนึงอาจจะถูกก็ได้นะครับเอตอนสมัยอัลเบิร์ตไอน์สไตน์อยู่ที่เยอรมันนะครับเขียนทฤษฎีสัมพัสธ์ออกมาครับอาจารย์ก็ทางอดอล์ฟิสเลอร์นี่โกรธเกรียวมากนะเพราะว่าเป็นยิวเป็นยิวเนี่ยเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เก่งกาจกระชอนโลกเนี่ยก็เลยให้ นักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมันอืมาบอกว่าทฤษฎีสัมพัทธ์ของไอน์สไตน์เนี่ยเหลวหลายร้สาระผิดอืมเห็นเห็นว่าเข้าชื่อกันร้อยกว่าคนใช่เข้าชื่อมาร้อยกว่าคนแล้วก็อผู้สื่อข่าวของเยอรมันก็มาถามเอาเบิร์ตไอน์สไตน์บอกว่าเนี่ยท่านจะยืนการอยู่ได้อย่างไรว่าทฤษฎีสัมพัทธ์ของท่านเนี่ยถูกต้องนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อของเยอรมันตั้งร้อยกว่าคนเนี่ยลงชื่อบอกว่า อันนี้ไรสาระาไอนสไตน์บอกว่าถ้าทฤษฎีผมผิดจริงเนี่ยไม่ต้องใช้ร้อยกว่าคนหรอกครับคนเดียวก็บอก <c ười> ได้แล้วคนเดียวก็บอกเพราะฉะนั้นเรื่องจำนวนกับความถูกต้องเนี่ยไม่เหมือนกันถ้าจะอ้อานอนั้นว่าอ น, นั้นคือธรรมะหรือธรรมมาทิปไตเนีย<ะ>่ยผมเชื่อว่าไม่ใช่แค่คุณทักษิณอ่านได้ เฟอดินานมากอสอ้างได้ดีกว่านั้นเพราะเสียงมากกว่านั้นดีอัดอลฟิตเลอร์ตอนสมัยสงครามโลกครั้งที่สองเสียงมากกว่านั้นอีกพวกนี้มาจากการเลือกตั้งเท่งนั้นนะครับประเด็จการ เ, ออเสียงมันสั่งกันครับอย่างอย่า ง, างที่พระคุณเจ้าได้ได้พูดถึงไอ้การย่อนบาปนี่อย่างนึ่นงแต่การที่มีคนมาไม่ถึงสิบหกล้านคนเนี่ยแต่มากันลายหลายแสนคนมาหน้าทำเนียบมา มาสนามหลวงมานอนกลางดินกินกลางทรายอันนี้ความยากลําบากอันนี้คุณภาพของเสียงมันต่างกัน uh huh. อันนี้เป็นเสียงที่ได้ข้อมูลมาลงทุนไม่มีอาวุธไม่มีกําลังไม่มีอํานาจไม่มีเงินมีทองแต่ว่ามีจิตใจแล้วออกมา uh huh. อันนี้อันนี้เป็นการลงทุนที่มากกว่าและเป็นเสียงที่เกิดจากการได้ติดตามข้อมูลผมผมเรียนได้นะครับถ้าจะขยายข้ออ้ามก็คือว่าคุณทักษิณเนี่ยจะอ้างสิบกล้านเสียงก็ตามแต่ แต่ถ้าคุณอัญเชิญีพรสังเกตดูได้ได้คุยกับคนที่เราเรียกว่าขอกันเมืองเก้าคนในสิบคนไม่เอาคุณทักษณิณเลยอันเนี้ยเนี้ยเ น, นี้ยผมคือคนที่มีข้อมูลคนที่มีข้อมู ล, น, มมลนะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยต่างกันผมว่าวันนี้เนี้ยเราจะต้องกลับมาประเด็นที่พระอาจารย์ได้พูดถึงแล้วผมว่าสำคัญมากก็คือเรื่องธรรมมาธิปไตย ธรรมาธิปไตยไม่ใช่ลทัลทธิใดลัทธิหนึ่งมันจะเป็นสังคมนิยมก็ได้จะเป็นประชาธิปไตยก็ได้จะเป็นทุนนิยมก็ได้จะเป็นราชาธิปไตยก็ได้แต่ว่าทั้งหมดเนี่ยถูกตัดสิน ด, ด, ด้วยธรรมะผมว่าผมว่าตัวเนี้ตัวเนี้เป็นตัวที่สําคัญแล้ววันนี้อคุณทักศิณจะไม่อ้างว่าเออวันนี้เราทะเลาะเรื่องทุนเก่ากับทุนใหม่หรือมันเป็นการทะเลาะระหว่างกลุ่มทรายกลุ่มคว้าคว้าพิฆาตทรายทรายพิฆาตคว้าหรืออะไรไม่จริงเลยทั้งทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยมันเป็นการ คนทั้งหมดรวมตัวกันเพื่อจะบอกว่าเขาไม่เอารัฐบาลขี้โกงแค่เนี้ยจบฮะบอันนี้เป็นเรื่องธรรมะล้วนๆเลยผมใช่ค่ะทีนี้ถ้าหากว่าเราจะแปลความเป็นกลางคือความเป็นธรรมเนี่ยคนเราในยุคนี้สมัยนี้เข้าใจคำว่าธรรมะขนาดไหนฮะพระอาจารย์ก็ก็เรียกว่าสับสนนะเพราะว่า ตอนนี้ธรรมะก็หลายเจ้าแล้วเกินไปคนละหามบางเจ้าก็บอกว่าให้หวยไม่ได้บางเจ้าก็ให้ได้ใช่ไหมบางเจ้าก็บอกว่าทําบุญมากๆาบริจาคมากๆก็จะได้บุญมากมบางเจ้าก็บอกทําอย่างนี้ผิดเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยถ้าเราเราเราฟังเสียงเสียงซึ่งสะท้อนออกมาเนี่ยเราจะหาบรรทัศฐานไม่เจอดังนั้นเสียงที่แน่นอนที่สุดไม่เอ็นย่างเลยต้องกลับไปหาเสียงพระพุทธเจ้าครับ ธรรมะคืออะไรก็เอาง่ายๆคือธรรมะก็คือคําสั่งสอนของพุทธเจ้าต้องถามต่อไปแล้วพุทธเจ้าเอาอะไรมาสั่งสอนเอาความจริงตามธรรมชาติค่ะความจริงตามธรรมชาตินี้มันเป็นความจริงที่เป็นกลาอก็หมายความว่าเ อ, อมันเนี่ยเป็นอิสระของมันคนไปเห็นหรือไม่ไปเห็นมันก็ไม่เข้าข้างใครทั้งนั้นน่ะความจริงที่เป็นกลางธรรมภาพเจี่เปลียงง่ายๆเหมือ น, ก, นกับก้อนเห็นก้อนหนึ่งซึ่งมันแข็งอยู่แล้ว เอาใครไปทุกหินใครแตกเอาใครวางไว้เอาหินตกลงมาใข่แตกอืใช่ไหมความเป็นกลางของหินเนี่ยมันมันเป็นยังไงมันชัดเจนมากนั่นแหละธรรมะที่แท้คือธรรมะที่พระพุทธเจ้าเอาธรรมชาติมาสอนถ้าเราบอกว่าเป็นกลางคือเป็นธรรมต้องกลับไปหาธรรมที่เป็นเนื้อแท้อย่างนั้นอืถ้าเรานิยามความหมายของธรรมให้ชัดว่าธรรมะคือธรรมชาติที่มีอยู่แล้วตามความเป็นจริงอย่างนี้ย อืมเราก็แสวงหาความเป็นกลางได้ง่ายแหะเพราะไหเราไม่ต้องเอาหลวงพ่อมาเป็นเกณฑ์กลับไปหาพุทธเจ้าพุทธเจ้าบอกอย่ามาที่ฉันไปที่ธรรมชาติดังนั้นถ้าคนเราทําอะไรก็ตามที่มันขัดหรือแย้งกับธรรมชาติอทุกสิ่งทุกอย่างนี่มันจะมีความจริงที่เรียกว่าเป็นความจริงถึงที่สุดความจริงเนื้อแท้ของมันอยู่ค่ะความจริงเนื้อแท้ของนักการเมืองคือเขาให้คุณมาทํางานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนออันนี้มันชัดนะความจริงสูงสุดของนักการเมืองก็แค่นี้ ถ้าเราไปฟังใครท่านั้นไม่ไปฟังใครไห น, ไไไหนไหเขาให้นักการเมืองมาทำประโยชน์ให้ให้ใหประชาชนค่ะถ้าคุณทำประโยชน์เพื่อตัวเองมันก็ผิดแล้วเห็นไหมทำไมจริงๆมันไม่ใช่เรื่องยุ่งยากซับซ้อนจนถึงขนาดอธิบายไม่ได้<ช>มันอธิบายได้แต่ทำไมมันจึงถูกทำให้เขวถูกทำให้รู้สึกว่าเข้าใจยากเหลือเกินแค่ความเป็นกลางก็โหหาต้องส่งสารปริศนาการตีความ ถ้าเราตรงไปตรงมาซะหน่อยนะ่ะไม่ต้องอะ<ช>เด็กมันก็รู้อะไรค<ช>ือความเป็นกลางความเป็นกลางเนี่ยคนไทยสับสนเพราะเราไปไปใช้คําว่าวางเฉยค่ ะ, ะวเวลาพูดถึงความเป็นก<ช>ลางน ะ, <ช>ะมันจะบอกว่าเป็นกลางวางเฉยอาตมาบอกว่าวางเฉยก็วางเฉยเป็นกลางก็เป็นกลางคุณอย่ามาปนกันบางทีคนที่ไปทองคนอื่นก็สับสนเสียเองก็มีค่ะเห็นไหมหนึ่งเราสับสนเพราะว่าคนที่อยู่ในฐานะที่จะอธิบายสับสนอยู่แล้ว สองคนที่ทําหน้าที่ชี้คนอื่นก็สับสนด้วยอืดังนั้นนี่คือสาเหตุของความสับสนเรื่องความเป็นกลางแต่ถ้าเรากลับไปหารากฐานทางธรรมะที่แท้จริงความเป็นการของพุทธเจ้าท่านใช้คำคำเดียวคืออุเบกขาอุเบกข า, าซึ่งคนไทยเอามาแปลว่าวางเฉยนั่นแหละสิคะแต่พุทธเจ้าท่านไม่บอกให้แปลว่าวางเฉยมันเหมือนกับว่าไม่รับรู้ไม่รู้สึกรู้สาอะไรกับความทุกข์ร้อนที่มันมีปัญหากับเพราะเราแปลผิดนะเราแปลว่าวางเฉยวางเฉยก็คือไม่ทําอะไรใช่ไหมใช่ค่ะแต่ความหมายที่แท้จริงของอุเบกขาท่านบอกว่า ความเป็นกลางในสัตว์บุคคลตัวตนและเราเขาเป็นกลางก็หมายความว่าเราเนี่ยได้พิจารณาเห็นแล้วนะว่าคนนั้นเขาทำผิดนะดี ก, ก็ปล่อยให้เขารับความผิดของเขาไปเต็มๆ เ, เราไม่ต้องเข้าไปแทรกแซงค่ะการที่คนขัดแย้งกับธรรมแล้วเราไม่ไปแทรกแซงกระบวนการทํางานของธรรมนี่แหละคือการวางตัวเป็นกลางไม่ใช่อยู่เฉยๆน ะ, ะเอาอีกตัวอย่างหนึ่งมีคนทําผิดแล้วไปขึ้นศาล ตุลาการทำหน้าที่ตัดสินอย่างเที่ยงธรรมผิดว่าไปตามผิดถูกว่าไปตามถูกนั่นคืออุเบกขานี่คืออุเบกขาและ น, น, นี่คือความเป็นกลางเห็นไหมความเป็นกลางไม่ได้หมายความว่าฉันไม่ตัดสินนะฉันนั่งอ <c oughs> แต่ฟังฟั ง, ฟงอาจารย์พูดเมื่อกี้นี้คล้ายๆกับว่าปล่อยให้กรรมเนี่ยทำตามหน้าที่ของมนันก็เหมือนกับว่าคนบางคนอาจจะทุจริตคอร์รัปชันแล้วเราจะปล่อยให้กระบวนการที่มันบิดเบี้ยวเนี่ยลงโทษทำหน้าที่มันจะมันจะเกิดหรอคะถ้าเราไม่ไปยุ่งจะต้องเข้าใจกฎสองกด คือเมื่อเราอยากจะให้ความเป็นกลางทํางานอย่างตรงไปตรงมาเนี่ยหนึ่งความเป็นกลางตามธรรมชาติคือกฎแห่งกรรมทํางานของมันอยู่แล้วแต่มนุษย์ร อ, อกฎแห่งกรรมอย่างเดียวไม่ได้มนุษย์อยู่ด้วยกันเป็นสังคมเราจะต้องสร้างกฎขึ้นมาอีกกฎหนึ่งเพื่อบริหารจัดการสังคมให้มีความเป็นกลางเพื่อสอดคล้องกับธรรมชาติค่ะนั่นคือมนุษย์ต้องมีกฎหมายที่เป็นกลางจึงได้กฎสองกฎหนึ่งกฎธรรมชาติเรียกว่ากฎแห่งกรรมสองกฎมนุษย์คือกฎหมาย ดังนั้นในการที่จะรักษาไว้ซึ่งความเป็นกลางหรืออุเบกขาธรรมในสังคมจะต้องพึ่งสองกฎกฎแห่งกรรมมันทํางานแน่นอนแต่บางทีมันมันมันมั น, ม, นมันไม่เห็นผลทันตาบางทีกรรมเก่ากรรมดีเขย่งย่อนกรรมดียังให้ผลอยู่ <c oughs> ไม่ไม่ทันก็ต้องใช้กฎสังคมมาช่วยดังนั้นก็ต้องกฎหมายตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดการทํางานของตุลาการนั่นแหละคือสิ่งที่บอกว่า <c oughs> เป็นกลางคือเป็นธรรมและเป็นกลางไม่ใช่อยู่เฉย แต่เป็นกลางคือเลือกข้างธรรมะไอ้คำว่าความเป็นกลางเนี่ยถูกบิดเบือนในเชิงวาทกรรม ใ, ใ, ให้หมายความว่าคุณไม่ต้องทำอะไรไร้จุดยืนและกากวม <laughs> นะครับ <laughs> ผมบอกว่าถ้าอ่านพุทธศาสนาแล้วจะทราบว่าพระพุทธเจ้าไม่เคยได้พูดอย่างนั้นเลยนะครับไ อ, อ, อ, อ้ที่ที่เราพูดถึง มัชชีมาปฏิปทาทางสายกลางซึ่งคนเข้าใจว่าอ๋อทางสายกลางก็คือไม่ใชจซ้ายไม่ใช่ขวาพกไม่ใช่ผดุยม่จนพอดีๆไม่ขาวไม่ดําไม่จริงนะฮะทางสายทางสายกลางเนี่ยคือสิ่งที่ถูกต้องหลังจากได้ศึกษาทุกอย่างด้วยสติปัญญาที่เรามีทั้งหมดแล้วแล้วก็โดยจิตใจที่ไม่มีอคติแล้วก็เลือกทางที่ดีที่สุดเพราะพระพุทธเจ้าในในในช่วงพุทธกาลก็มี ความคิดต่องเยอะแยะมีอาจารย์สนชัยนะครับมีแนวคิดเรื่องอบำเพ็ญทุ ก, การาริยามีการใช้ชีวิตดลองมาหลายอย่างอะไรนะกา ม, มาสุขันริการุโยกอะไรต่อมีอะไรนะครับมีของเชนของท่านมหาวีระมีของฮินดูอของสมัยนั้นเรียกว่าพราหมณ์ พระองค์ท่านได้ศึกษาทั้งหมดแล้วก็เลือกอันนี้กลางไม่ได้หมายความว่าเอาเอ า, เอาพรามมาบวกกับเชนเอาบวกของอาจารย์สนชัยเอามาบวกกันแล้วมีสี่อย่างก็หารสี่ไม่ใช่ <c oughs> ไม่ได้หมายความว่าดีบวกเลวมาบวกกันหารสองขาวไม่เอาดำไม่เอาเอาเทาเ า, าดีกว่าถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยทางสายการของพอระุทธเจ้านี่ยมันง่าย ก็คือว่าเรามาบำเพลงทุกขลักกรยากันทุกวันจันทร์พุธศุกร์เถอะอันาดที่เหลือเราก็ไปเสการปูชาเทพถ้างถ้าอย่างนั้นถ้าถ้าถ้าในความหมายแบบนี้มันไม่ใช่ความเป็นกลางก็คือเอาความถูกต้องนะครับเป็นจุดหยืนแล้วผมว่าอันนี้เนี่ยอันนี้คือความความความเข้าใจผิดโดยเจตนา ของคนบางคนที่พยายามจะดึงให้สังคมเข้าใจว่าความเป็นการคืออย่ายุ่งอยู่เฉยๆแล้วทุกอย่างจะดีเองนะครับและกำกวมไม่มีจุดยืนก็พอพอเขาบอกให้กลางไม่ได้เขาเลยป้ายอีกสีหนึ่งลงไปไงเป็นสีเทาเอออันนี้ก็ต้องแยกกัน ผมเนี่ยวันนี้พูดถึงว่าก็เข้ามาร่วมในก<ะ>ระบวนการช่วยต่อสู้อะไรหลายคนก็บอกโอ้ยคุณสนทิกรไม่ใช่ผ้าขาวออื<ะ>ผมก็บอกว่าเอออันนั้นเข้าใจผิดล ะ, ะผมมาช่วยทางคุณสนทิเนี่ยไม่ใช่ผมคิดว่าคุณสนทิแหมเป็นผู้ทรงศีลบริสุทธิ์ถือพรห ม, มจรรย์คุณสนทิทํามาหากินก็ต้องมีการต่อสู้แข่งขันนะครับเ อ, อ, เ อ, อมีเรื่องผลประโยชน์ทางธุรกิจอันนั้นเราก็เข้าใจได้เราไม่ได้ มาสนับสนุนคุณชนที่ในฐานะเป็นนักบวชหรือนักบุญ <c oughs> แต่เราสนับสนุนเพราะว่าสิ่งที่คุณชนที่ทาเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นกุศลกรรมไม่ใช่กุศลกรรมธรรมดาผมคิดว่าเป็นมหากุศลเลยเพราะว่ามันจะส่งผลต่อคนจํานวนหลายสิบล้านคนที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตครับเพราะฉะนั้นต้องแยกกันนะครับว่า <c oughs> วันนี้กระบวนการอันนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของตัวบุคคล <c oughs> ตัวบุคคลเนี่ยอาจจะเทาๆ แต่เขาทำในสิ่งที่ขาวเราก็ต้องประเมินจากกรรมะของเขานะครับแล้วก็อันนี้ครับเป็นเป็นวิธีมองจากจากมุมมองของคาราวาาว่าท้ายสุดอันนี้ถ้าเป็นสิ่งที่ถูกต้องออคุณสนที่ในเรื่องส่วนตัวกับคุณทักษิณจะมีหรือไม่มีธรรนี้ ผมก็ไม่สนใจถ้ามีเขาก็ไปเคลียร์กันเองแต่สิ่งที่คุณจนทิีรรมคือเอาไอ้ความจริงทั้งหลายมาคลี่ให้ประชาชนเห็นแล้วประชาชนจะได้ใช้สติปัญญาและวิจารณญาณแล้วเลือกว่าสิ่งนี้ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องการมีผู้นําแบบนี้ไม่ใช่สิ่งเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องและประชาชนตัดสินใจอันนี้ผมคิดว่ามันสอดคล้องกับหลักประชาธิปไตยและที่สําคัญยิ่งกว่านั้นมันสอดคล้องกับหลักธรรมธิปไตยนี่ครับนี่นี่นี่นี่คือมุมมองในในฐานะคารวาตนะครับ อาจารย์จะสริมตรนี้ยังไงดีคะคือแตามาอยากจะให้เกณฑ์ในการเลือกความเป็นกลางให้ง่ายขึ้นค่ะในทางพุทธศาสนาเนี่ยถ้าคุณอยากรู้ว่าใครเป็นกลางซึ่งมันจะทําให้คุณลำบากในการตัดสินใจคนสองคนทะเลาะกันแน่นอนว่าถ้าเราจะเลือกข้างจะเลือกอยังไงออืท่านบอกว่าอย่าไปดูว่ากอผิดหรือขอผิดกอดีหรือขอชั่วค่ะแต่ให้ดูว่าสิ่งที่กอหรือขอทําอะไรดีอะไรชั่วผลแห่งกรรมถูกต้อง ถ้าเราไปดูคนน่ยแน่นอนที่ส่วนมนุษย์นี่ยมันมีคติอย่างนั้นแต่มารู้จักคุณโยมมาตมารู้จักคุณโยมทํำยังไงจะไม่เลือกคุณละ่ะก็เพราะว่ามันมีชันทาคติคือลำเอียงเพราะรู้จักกันนะ่ะดังนั้นท่านบอกว่าเพื่อป้องกันความลำเอียงท่านไปดูซิว่าสิ่งที่สองคนนั้นกําลังทํามันจะนําไปสู่อะไรออืเวลาคนสองคนทะเลาะกันอย่าดูว่าใครผิดใครถูกแต่ให้ดูว่าอะไรคือความถูกอะไรคือความผิดออืถ้าใครถือข้างความถูกเอาไว้เลือกคนนั้นได้เลยรับรองไม่ผิดเพราะอะไรเราไม่ได้เข้าข้างคนแต่เราเข้า แต่บังเอิญทํานั้นไปอยู่ในคนดัง น, นั้นการที่เราเลือกธรรมะจึงไม่ได้หมายความว่าเราเลือกคนสนที่นะบังเอิญไม่คุณสนที่นะ่ะทํานในสิ่งที่มันมันถู ก, ถกต้องกับธรรมะดังนั้นคนคนที่เข้าใจผิดมากๆก็ต้องมาเข้าใจเสียใหม่อย่างอาตมามาพูดเนี่ยแล้วฟังไปฟังมามันเหมือนจะเ อ, อ้อเห็นด้วยกับคุณส่วนที่อาตมาพูดได้เลยอาตมาเป็นพระอาตมาใช้ปัญญาอย่างที่เรียกกันว่ามัชชีมาปัญญาค่ะไม่ได้สนิทเป็นส่วนตัวอะไรกับคุณสนทิถึงแม้จะรู้จักก็ต่าง แต่สิ่งที่ทํานั้นอาตมาดูว่ามันจะนําไปสู่อะไรถูกต้องไหมเราต้องดูที่ตัวตัวผลสุดท้ายตัวผลจะเป็นตัวชี้วัดค่ะเพราะถ้ามันเป็นความถูกต้องเราก็เลือกความถูกต้องถ้าความถูกต้องนั้นอยู่ในมือใครคนนั้นอ่ะก็ง่ายมากที่จะถูกยงมาเป็นพวกเดียวกันเพราะฉะนั้นให้ให้ดูตัวธรรมะเป็นหลักอย่าไปดูคนถ้าคุณดูคนเมื่อไหร่ในมนุษยนะ์ถูกเหยียดไปซ้ายสุดไปซ้ายสุดจะยัไปขวาสุดสวิงไปสวิงมาแล้ะสุดท้ายเราเราชคกันเราทะเลาะกัน ดังนั้นแทนที่เราจะมองเรื่องการแยกฝั่งแยกขั้วเราควรจะพัฒนาสังคมไทยให้ก้าวขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งคือไปดูที่ว่าในระดับนา ม, มารำอะไรคือความถูกอะไรคือความผิดถ้าเราตั้งเป้าอย่างนี้ปุ๊บมันง่ายมากที่เราจะเลือกใครง่ายมากที่เราจะเลือกฝั่งและพุทธศาสนาเองเนี่ยเมื่อสอนความเป็นกลางก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าไม่ได้สอนให้อยู่เฉยๆเวลามีสงครามเอาง่ายๆเลยขอยกตัวอย่างนิดหนึ่งว่าเมื่อเกิดสงครามแย่งน้ำระหว่างพระยาของพระองค์ พระพุทธเจ้าเป็นญาติผู้ใหญ่ทั้งคู่เลยนะค่ะแล้วญาติเขาก็ทะเลาะกันพระพุทธเจ้าเคยนั่งอยู่เฉยๆแล้วบอกว่าฉันเป็นกลางหรือเปล่าพระองค์ไปนะไปสามครั้งแล้วไปห้ามทัพเลยอัตมาถามว่าพระพุทธเจ้าเลือกใครอ่ะพุทธเจ้าเลือกธรรมะนะะธรรมะที่พระองค์เลือกก็คือการที่ฆ่ากันเนี่ยมันไม่ถูกต้องค่ะพระองค์ก็ไปห้ามมาอย่าฆ่ากันได้ไหมพระองค์ไม่ได้เข้าฝั่งนี้นะไม่ได้เข้าฝั่งนี้เพราะว่าทั้งสองฝั่งก็ญาติของพระองค์ถ้าจะเข้าข้างก็ต้องเข้าทั้งสองฝั่ง <C> e แต่พระองค์ก็เลือกธรรมะว่าการฆ่าคนเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะฉันเลือกธรรมะเพราะพระองค์ไปห้ามอย่างนี้พระองค์ทําในสิ่งที่ภา ษ, ษ, ษาพหุเรียกว่าวางอุเบกขาค่ะดังนั้นตัวนี้ก็คือตัวอย่างที่เป็นตัวประทับที่ชัดเจนที่สุดว่าอุเบกขาไม่ได้หมายความว่าอยู่เฉยๆแต่คือเลือกธรรมะอืค่ะนะคะงั้นเดี๋ยวช่วงหน้าจะมาคุยกันนะคะว่าถ้าไม่เลือกเลยอะ่ะแล้วถ้ายังตีความอุเบกขาว่านั่งอยู่เฉยๆดูเฉยๆอะไรเงี้ยนะคะมันจะเกิดอะไรขึ้นสังคมไทยค่ะ ร่วมแสดงความคิดเห็นและติชมรายการได้ที่026292211ต่อ1117 1118 1152โทรสาร022808351หรือ thamma u s 1 1 n e w s 1 c o m กับเข้ามาสู่ธรรมะพิวัติช่วงสุดท้ายแล้วนะคะเมื่อกี้นี้ฟังฟังดูปริมาณเนี่ยคนเราถ้าหากว่าไม่เข้าใจธรรมะจริงๆเนี่ยนะคะการเอาธรรมะไปใช้ไปตัดสินใจบางทียืมคําพระไปพูดผิดหมดเลยนะคะแล้วทําไปสู่การปฏิบัติที่ผิดด้วยค่ะก็คิดว่าผมว่าอันนี้เป็นประเด็นปัญหานะครับอันนี้ผมก็ในฐานะคารวาสเนี่ยก็อันนี้เป็นวิธีมองของผมซึ่งก็ หวังว่าคงไม่ไม่ไม่คาดเคลื่อนมากนะครับเพราะว่าก็ได้ศึกษามาอาไม่ไม่มากเท่ากับอย่างท่านพระอาจารย์แต่ว่าก็ได้เอามาผูกโยงกับชีวิตประจำวันเนี่ยผมว่าสิ่งแรกก็คือเวลาเราพูดถึงความเป็นกลางเนี่ยเราเลือกข้างถูกต้องนะครับไม่ใช่ไม่เลือกเลยไม่ใช่ไร้จุดยืนไม่ใช่รนเร่ไม่ใช่กำขวมแต่ว่าชัดเจนฝ่ายที่ถูกต้องฝ่ายที่สอดคล้องกับธรรมะอันที่สองก็คือ เลือกเนี่ยไม่ใด้เลือกที่บุคคลวันนี้อย่างอย่างที่เรียนนะครับเลือกที่กรร ม, มะและเจตนา <S 2> <S 2> กรร ม, มะและเจตนาเนี่ยในวันนี้เนี่ยหลายคนก็บอกเอ๊ะมันเป็นเรื่องทะเลาะเบาแวงแล้วว่างคุณสนธิแบบคุณทักษิณหรือเปล่าบอกว่าอันนั้นผมไม่ทราบผมไม่แคร์ด้วยซ้าแท้จริงแล้วสิ่งที่ทําให้ผมมาช่วยสนับสนุส น, นคุณสนธิเพราะผมคิดว่าเจตนาและกรรมะอันนี้เป็นกุศลกรรม เนกุศลกรรมเราก็พยายามที่จะอยู่ฝ่ากกุศลกรรมไม่ใช่กุศลธรรมดาผมเชื่อว่าเป็นมหากุศลอันนี้ก็เป็นอันอันอีกประเด็นหนึ่งอันที่สามก็คืออย่างที่พระอาจารย์ได้พูดถึงแล้วผมว่าสําคัญก็คือว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยกฎแห่งกรรมมาดูแลแต่ขณะซึ่งคนกําลังเกาะอกุศลกรรมแล้วก็กําลังจะสร้างอากุศลกรรมนี้มันก็ไม่ได้แปลว่าเราเข้าไปแทรกแซงไม่ได้ถ้าเราสามารถที่จะเข้าไปแล้วมีบทบาท ทําให้เขายุติยับยั้งทำให้เขาไม่สามารถที่จะก่อกุศลกรรมต่อประชาชนจํานวนหลายสิบล้านคนได้อีกอันนี้ก็ถือว่าเป็นกุศลกรรมไม่ได้เป็นบุญเราไม่เป็นะคุณเราเลือนข้างถูกแน่นอนฮะแน่นอนเพราะฉะนั้นเอเอต้องถือว่าได้ได้บุญกันดังนั้นนะฮะพนักงานเอเสวีถ้าสมมุติเราทําสําเร็จเนี่ยมันก็เท่ากับเราเข้าไปแทรกแสงอันนี้ก็เป็นกุศลกรรมใหม่ ที่จะสร้างขึ้นแล้วเป็นบุญอีกก็คือว่าอาจจะช่วยหยุดยั้งอักขุศลกรรมของอีกฝ่ายนึงซะด้วยซ้ํานะครับ <Ừ. S 2> อีกส่วนหนึ่งที่ผมเชื่อว่าในฐานะของคาราวาสเนี่ยฟังดูก็อาจจะแปลกหนะ่อยผมเชื่อเราผมเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมนะครับ<ฆ>แล้วผมก็เชื่อว่าบางทีในฐานะของมนุษย์คนคนหนึ่งเนี่ยบางทีอาจจะต้องเรามีหน้าที่ที่จะช่วยเร่งให้ มันแสดงผลแสดงผลโดยเร็วขึ้นชัดเจนขึ้นอันนี้อันนี้ก็เป็นเป็นหน้าหน้าที่อถึงเราเราไม่ทําอะไรท้ายสุดกรรมก็นําผลนั้นมาอยู่ดีนะครับแต่มันช้าแล้วระหว่างนี้เนี่ยมันอาจจะเกิดกรรมอะไรต่อเนื่องอีกเยอะแยะเช่นถ้าสมมุติว่าผู้พิพากษาผู้พิพากษาเนี่ยไม่ตัดสินลงโทษฆาตกรอก็เชื่อว่าถ้าเราไปตามกฎแห่งกรรมเนี่ยท้ายสุดฆาตกรคนนี้เนี่ยก็ คงจะต้องได้รับผลอยู่ดีในท้าที่สุดแต่ก่อนที่จะได้รับผลดังนั้นนี่ในช่วงนี้เขาแตกไปก่อกรรมอะไรเยอะแยะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นการเดิาเนินเพื่อแหมมันก็ไม่รู้มันฟังแปลกๆแต่ก็คือไปตามกฎแห่งกรรมครับเพียงแต่เร่งรัดเร่งให้กหงกรรมเนี้เกิดขึ้นชัดเจนและก็รวดเร็วขึ้นฮะแต่ดูเหมือนท่าอาจารย์บอกว่าจริงๆถ้าเราจะพิจารณาโดยธรรมควรจะพิจารณาให้ครบของวิหารสี่เลยใช่ไหมคะคือสังคมไทยเนี่ย เป็นเมืองพุทธนะค่ะ<า>แต่ว่าไม่ได้เป็นเมืองพุทธในเชิงเนื้อหาสาระคือเป็นเมืองพุทธในแง่ที่ทําให้ออกมาแล้วดูสวย<า>ดูสวยตามจะมารเรียกว่าเป็นเมืองพุทธในเชิงปริมาณอคือสํารวจเมื่อไหรเมื่อไร่ก็เป็นพุทธเก้าสิบ้าเปอร์เซนแบบติ๊กกะ <c oughs> เป็นเป็นชาวพุทธแบบติ๊กติกด <c oughs> ติ๊กติดหรือเปล่าไม่ทราบถูกแต่มันไม่มีคุณภาพค่ะเลือกศาสนาถูกแล้วแต่มันไปไม่ถึงเนื้อในของมันใช่เรืไหมเหมือนเหมือนคุณไปซื้อทุเรียนน่ะคุณซื้อถูกแล้ว แต่คุณไม่เคยกินเนื้อมันเลยะคุณเอาแต่เปลือกมันนั่นแหละคุณซื้อผลไม้ถูกแต่คุณไม่รู้จักคุณค่าแท้ที่อยู่ข้างในคือเนื้อหาของพุทธคือธรรมะใช่ไหมทีนี้ในการเอาธรรมะมาปฏิบัติเนี่ยพอเอามาไม่ครบชุดมันก็มีปัญหาพุทธเจ้าในเวลาแสดงธรรมเนี่ยจะทรงแสดงธรรมะอย่างที่เราเรียกกันว่าบูรณาการคือคือไม่แสดงอะไรโดโดๆนะเช่นท่านพูดถึงศรัทธาทุกแห่งที่พูดถึงศรัทธาก็มีปัญญากำกับตลอดเวลาทุกแห่งที่พูดถึงปัญญาก็มีศรัทธาไปดึงไว้ตลอดเวลา สภาอย่างเดียวไม่มีปัญญาก็งมงานใช่ไหมปัญญามากเกินไปก็แข็งกร้าวไม่ฟังใครเพราะฉะนั้นพุทธเจ้าแสดงธรรมเนี่ยจะมีระบบที่ตรวจสอบภายในนะซึ่งกันและกันอุเบขาที่เราบอกว่าคือความเป็นกลางในทางสังคมเนี่ยก็เช่นเดียวกันท่านก็ไม่ได้แสดงโดดๆนะท่านแสดงเอาไว้ในธรรมวดที่เรียกกันว่าพรหมวิหารสี่พรหมวิหารสีก็คือธรรมสาหรับทําให้เป็นผู้ใหญ่พรหมแปลว่าผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นคนที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ใหญ่ของบ้านของเมืองต้องมีพรหมวิหาร และไม่ได้มีข้อเดียวนะมีสี่ข้อหนึ่งเมตตาคือความปรารถนาดีสองกรุณาคือจิตใจที่หวนไหวต่อความทุกข์ของคนอื่นและพร้อมจะช่วยเหลือเขาสามุทิตาเห็นคนอื่นได้ดีมีสุขแล้วไม่ริษยาสแต่พลอยอนุโมทนาสี่อุเบขาเห็นคนอื่นทําชั่วทําเลวซึ่งบรรขัดยันกับธรรมะต้องวางตัวเป็นกลางไม่แทรกแซงกฎหมายให้กฎแห่งกรรมและกฎหมายชั่ระไปตามความเป็นจริงอืนี้สี่ข้อเนี่ยถ้าเราปฏิบัติไม่ถูกนะมีปัญหาทันที ท่านวางสถานการณ์เอาไว้ด้วยหนึ่งเมตตาให้ใช้ในสถานการณ์ปกติคือเราอยู่ด้วยกันปกตินี่ให้ให้เป็นมิตรกันเพราะเมตตากับคำว่ามติตรก็คือตัวเดียวกันอภัยใช่ไหมก็ ค, คือคือคือไม่ทํำร้ายใครเลยเมตตาหมายถึงมิตรภาพค่ะให้คุณเป็นมิตรกับคนทั้งโลกใ น, ในสถานการณ์ปกติเจริญพรก็ส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นปกติให้เมตตาถ้ามีสถานการณ์วิกฤตให้การุณาคือไม่ให้อยู่เฉยๆนะเห็นไหมนี่ท่านชัดนล้วนะ เวลามีวิกฤตท่านบอกให้อยู่เฉยไม่เหล่ท่านบอกให้การูา้นะให้เดินเข้าไปช่วยกันกอดคู่วิกฤตเห็นไหมพอข้อสองจริงๆไม่ต้องถึงอุเบกขาละข้อสองเนี่ยคนไทยก็จยใช้ไม่ได้แล้ว ม, ม, มีวิกฤตขึ้นมาต้องเข้าไปช่วยเหลือเกื้อกูลกันให้เราเนี่ยสามารถเป็นเพื่อนทุกข์กันไม่ใช่แค่เพื่อนสุกนะเป็นเพื่อนทุกข์แล้วสา ม, มุทิตาเห็นคนอื่นเขาได้เด็บได้ดีเขาทํามาถูกต้องแล้วเขาเจริญรุ่งเรืองพูทธเจ้าบอกในกรณีอย่างนี้ต้องมุทิตาคือพรายินดีแต่คนไทยปฏิบัติทำข้อนี้ผิดมากเห็นคนอื่นได้ดดให้ย เรื่องอะไรไปกับมันมันทําได้ดีทําไมจะต้องไปบันทึกเทมันมาออกอากาศด้วย <c oughs> ไปทําไมอ่ะ <c oughs> ดีก็เรื่องของมันเลยแต่ถ้าร้ายเมื่อไหร่ลุ่มมันเล <c oughs> ยี่มันปฏิบัติธรรมผิดข้อไง <c oughs> เขาได้ดีต้องมุทิ่ตาต้องพลอยอนุโมทนาแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คนขัดแย้งกับธรรมคนสวนทางกับกฎหมา ย, ต, กกมายต้องเลือกกฎแห่งธรรมเลือกกฎหมายเพราะอะไรถ้าเราเลือกคนกฎหมายเสียกฎหมายเสียสถาบันทางสังคมไม่มีบรรทัดฐานทั้งหมดอืแต่ถ้าเราเลือกคน กฎเกณฑ์ต่างๆในทางสังคมบรรทัดฐานทางสังคมพังอื uh huh. ดังนั้นท่านบอกว่าถ้ามาถึงอุเบกขาแล้วเนี่ให้ปฏิบัติในกรณีที่คนขัดแย้งกับธรรม uh huh. คนขัดแย้งกับกฎหมายอื uh huh. คนจะต้องรับผิดชอบกฎแห่งกรรมของตัวเขาด้วยตัวของเขาเองในกรณีอย่างนี้เราต้อง uh huh. วางตัวเป็นกลาง uh huh. คือไม่เข้าไปแทรกแซงให้เขารับผิดชอบความผิดที่เกิดขึ้นกับเขา uh huh. อย่าไปเป็นฝ่ายเขา uh huh. อย่าไปให้ท้ายเขาแต่ให้เราอยู่กับธรรม uh huh. ถ้าเราอยู่กับธรรมแล้วเนี่ย มันก็ง่ายมากที่เราจะทําอะไรท่าทีต่อไปมันก็ง่ายอยูาการทำก็คือเป็นธรรมที่พระอาจารย์อธิบา ย, ยานะคะอย่างเราเรียนมาเรียนพุทธศาสนาอาจารย์เรียนมัธยมจบจบมหาวิทยาลัยเนี่ยเราไม่เคยได้รับการแปลหรือว่าตีความในทํามนอ ง, ง น, นี่ยคะพระอาจารย์ก็อันนี้แน่นอนที่สุดว่าเราเรียนธรรมะกันเหมือนนกแก้วนกขนทองเนเอาท่อกับพรหมวิหารสีหนึ่งแม่ตาปรารถนาให้คนอื่นเป็นสุขอย่างเงี้ยแต่ลูกาคิดจะช่วยให้พ้นทุกข์โมทิตาปล่อยเียังพื่อเขาได้ดีอุเบกขาวางใจเป็นกลางหรือวางเฉย แต่ในสถานการณ์ไหนที่จะทําไปใช้ไอ้ตัวนี้เราไม่พูดเลยก็เลยเกิดปัญหาใช้ทําผิดข้อเหมือนกินยาผิดขนาดออืทั้งที้ปฏิบัติธรรมแต่ยิ่งปฏิบัติธรรมยิ่งห่างธรรมะค่ะนี่แหละคือปัญหาของสังคมไทยอแล้วนี่ถ้าเกิดว่าเราสังคมก็ไม่เข้าใจแล้วแล้วก็ไม่เลือกข้างกันนะคะต่างคนต่างอยู่อาจจะต้องไปจ้างแมวจ้างอะไรมาเดินขบวนทวันนี่จะเป็นยังไงต่อไปกันเนี่ยก็บรรทัดฐานสังคมพัง <c oughs> ค, คือสังคมไทยจะกลายเป็นสังคมที่ถามหาความถูกความผิดถามหาจรยิยธรรมแล้วนิยามยากเพราะถ้านิยามง่ายๆมันทำให้คนอีกฝ่ายหนึ่งเสียเปรียบเนเพราะฉะนั้นก็ทำให้เรื่องธรรมะกลายเป็นเรื่องนิยามยาก <c oughs> แล้วสุดท้ายใครที่มีหนะ้าที่นิยามธรรมะกันออกไปเลยอย่าให้มารู้มาเห็น ก็แค่เอกไป<ม>นอกวงเลยจะขอขอพระอาจารย์พูดเรื่องอธรรมะของราชาเพราะว่าค่าวที่แล้วเนี่ยอาจารย์ได้พูดถึงแล้วผมว่าจะเกี่ยวโยงกับ ส, สภาพปัจจุบัน เ, นนนเพนาะเ ว, เ, วเนี่ย เ, เมื่อธรรมะราชาก็หมายถึงว่าผู้นำอของประเทศเนี่ยหรือผู้ทาทางทางการเมืองเนี่ยสูงสุดมีปัญหาเรื่อง เรื่องจริยธรรมหรือทศพิตราชธรรมเนี่ยมันก็นํามาซึ่งไอ้ความคุ้มคือทางด้านจริยธรรมการตีความเรื่องธรรมะอะไรต่อมิอะไรเนี่ยนะครับก็อยากอยากจะขออนุญาตเพราะผมผมว่าอันนั้นเนี่ยจะเป็นประเด็นที่ก็มันโยงกันได้เอาเข้าจริงเนี่ยธรรมะธรรมะราชาก็คือทศพิธราชธรรมคือธรรมของพระราชามันเป็นธรรมของนักการเมืองครับเป็นธรรมของคนทุกคนเพราะอะไร เพราะรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนี้บอกว่าพระราชาหรือพระมหากษัตริย์ทรงใช้อำนาจบริหารผ่านคณะรัฐมนตรีใช่ไหมใช่อำนาจนิติบัญญัติผ่านรัฐสภาอำนาจตุลาการผ่านสารสถดียุติธรรมค่ะเพราะฉะนั้นนายกก็ต้องปฏิบัติธรรมของพระราชาเพราะอะไรพระราชาถ่ายโอนอำนาจนให้คุณคดังนั้นทศพิราชธรรม จ, จึงไม่ใช่ของในหลวงนะเป็นธรรมของผู้นําทุกระดับชั้นซึ่งทํางานภายใต้พระประมาภิไธยและในธรรมราชาหรือทศพิราชธรรมนี้เอง มีอยู่ข้อหนึ่งซึ่งไม่ต้องใช้การตีความนะมันตรงซะยิ่งกงว่าตรงคือคำว่าอาชวะคําหนึ่งนะกับอีกคําหนึ่งคือคืออวิโรธนะเดีย๋ยจะแปลให้ฟังอาชาวะอันแปลว่าความสุดจริตโปร่งใสครับเห็นไหมทำมาพิบาลมาแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นตัวอาชวะคือความซื่อสา์ความสุดจริร s <S ตวว ค, ความโปร่งใสของพระราชาผู้นําทางการเมืองก็ต้องทําำแล้วที่เรากําลังคุยกันตอนนี้ทำของพระราชาสําคัญที่สุดข้อที่สิบท่านบอกว่าอวิโรธนะแปลว่า ความยึดถือธรรมเป็นใหญ่หรือธรรมะที่ปไตยธรรมะที่ปรไ ต, ย, าารตยคืออะไรก็ความเป็นกลางในทางธรรมคือทําให้มันเป็ี่ยนยังไงเราก็ซื่อตรงต่อธรรมตรงไปตรงมาอย่างนั้น<ช>นี่เรียกว่าความเป็นกลางในทางธรรมดังนั้นผู้นําทางการเมืองทุกคนถ้าบริหารแล้วเอาธรรมเป็นกลางไม่ใช่เอาคนเป็นแกนกลางน ะ, ะเขาเรียกว่าธรรมะเซ็นเตอร์เนี่ยธรรมะไหนธรรมะไหนก็เอาไปเลยนะ ไม่ต้องมีว้แล้ชส้นเล้นนะใช่ไหมเพือ่อนอาจารย์สัญญาธร ร, รมศาสตร์นายกนายกพระราจธานสองสมัยท่านเอารัฐมนตรีเข้าคุก่จนได้ฉายาว่าเป็นป่าบุ่นทิ้นก็มีคนไปว่าท่านว่าทําไมท่านไม่เห็นแก่หน้าอาจารสัญญาบอกว่าผมจะเห็นแก่หน้าได้ยังไงเพราะข้างหน้าผมมันมีแต่ธรรมะผมเห็นแก่ธรรมใครที่สวนทางกับธรรมก็ทําลงโทษไม่ใช่ผมลงโทษนี่คือธรรมมาที่ปไตยของพระราชาหรือผู้ที่ใช้อํานาจแทนพระราชา เป็นกลางในทางธรรมก็คือเอาธรรมขึ้นมาเป็นบรรทัดฐานในการบริหารราชการแผ่นดินดังนั้นถ้าอธิบายอย่างนี้เราจะเห็นว่าโอ เพราะจตหิราชจะทำไม่ใช่ของในหลวงนล้วใช่ครับของพวกเราจะเรียนทำเป็นอีกอย่างหนึ่งเลยได้ซ้ำไปท้งในตรงนั้นแล้วแล้วจริงๆเนี่ยอยากอยากจะเสเสริมพระอาจารย์นิดนะฮะมีสองสามประเด็นที่ชัดเจนในทศพิหราชจะทำอันนึงก็คืออักโกรธใช่ไหมครับแล้วก็อีกอันคืออวิหิงสาก็คือไม่เบียดเบียนไม่เบียดเบียนผู้อยู่ใต้ปกครองนะครับไม่ใช้อารมณ์พุ่งพานหรือว่าโกรธ นะฮะหรือใส่เอาโทสะใส่เขาจะเห็นนะครับไอ้แบบเรื่องเหตุเหตุเหตุคำก็ด่าสองคำก็ด่าหรือว่าส่งคนไปวังแกคนที่เซนทรัลเวิลด์อะไรแบบนี้เนี่ยอันนี้ผิดแน่ๆอันหนึ่งที่ผมสังเกตนะครับพระจา์ก็คือว่าดูไปเนี่ยเรื่องในทศพิตราชธรรมเนี่ยเริ่มต้นด้วยของที่มันต้องบอกว่าเบสิกลยคือทานศีลนะครับ เพราะฉะนั้นคนธรรมดาต้องมีสิ่งแรกเลยที่เราย้อนไปครั้งแรกที่เราพูดกันเนี่ยว่าคนเราจะสร้างรัฐบุรุษเนี่ยสิ่งแรกก็คือต้องเอาสามารถเอาชนะโลภะได้เพราะว่าถ้าเอาชนะโลภะไม่ได้เนี่ยแทนที่จะเป็นรัฐบุรุษมันก็จะกลายเป็นทรราชถ้าสังเกตนะฮะธรรมะของทศพิตรจะทำข้อแรกคือทามข้อแรกเนี่ยเป็นเป็นตัวตัดสินที่อาจารย์บอกธรรมะอยากจะเสริมเล่มนึ่งทาไมเขาเริ่มด้วยทถามเลยไหมเพราะอะไรคะเพราะพููนําประเทศ ผู้นำองค์กรเข้ามาทําหน้าที่บริหารผลประโยชน์อต้องรู้จักให้ถ้าคุณไม่คิดจะให้คนอื่นนะคุณก็จะเอาผลประโยชน์เข้าตัวทั้งหมดเลยเห็นไหมเพราะฉะนั้นต้องจึงวางทางไม่เป็นอันดับแรกเพราะผลประโยชน์เนี่ยเขาไม่ให้คุณบริหารผลประโยชน์ก็ตรงเงินข้ามกับโลภะชเพราะมีโลภะพับมันก็จะไปทางหนึ่งที่ที่เคยคุยกันว่ารัฐบุรุษกับ ทรรราชเนี่ยจริงๆมีกันเหมือนกันเก้าสิบเปอร์เซ็นตมาต่างกันสิบเปอร์เซ็นก็คือมีโลภะหรือว่ามีฐานฐานฐานนะใครจะนำใครผู้บริหารต้องให้ฐานคือไม่ไดตักโลกไม่ไม่ไม่ใช่โลกแล้วก็อันหนึ่งที่คนมักจะเข้าใจผิดก็คือมักจะเข้าใจว่าลาภะเนี่ยคือยารักษาโลภะ ซึ่งไม่จริงเลยคนยิ่งมีลาภะมีลาบมากเนี่ยไม่ได้ลดโลภะเลยลหลายต่อหลายครั้งเนี่ยลาภะกับป็นยากระตุ้นให้โลภะมันกับฝ่ายโลภะกับแรงขึ้นสม<ำ>ดุลกันเป็นกิเลสตระกูลเดียวกั น, <c oughs> นกิเลสตระกูลเดียวกัน <c oughs> เพราะฉะนั้นเราไม่สามารถยับยัง้ง ค, <c oughs> คือไม่สามารถยับยั้งโลภะได้ด้วยลาภะลาภะเช่นตำแหน่งได้านหน้าลาภะนี่เงิน 73,000 ล้านอย่างเงี้ยลาลาภะหรือว่ายกหาปัญญาสัตว์ถือว่าลาภะไ้มฮะก็อยู่ยุนยุนอะไรก็ตามที่เราได้เข้ามาเป็น ประโยชน์ของตัวเองเนะี่ยจัดเป็นลาภได้ทั้งหมดมแล้วเราไปคิดว่าการที่เรามีผลประโยชน์พร้อมสับแล้วเนี่ยเราจะลดความโลภได้อันนี้ผิดนะพอแล้วไม่แล้ว ไ, <ฟ>ไม่กองแล้วไฟเนี่ยเรากอ่อไฟกองใหญ่ไฟลุกอยู่แล้วเอาฟืนเข้าไปเติมมีไฟที่ไหนบอกว่าไม่ต้องเติมฟืนนะ พอไฟไม่อินไม่เชื้ออืไฟมันเห็นเชื้อมันก็ยิ้มหน้าใช่ไหมเพราะฉะนั้นไม่ได้ไม่ได้พุระเจ้าท่านถึงบอกว่าต้องทานนะต้องให้ทานอย่างเดียวยาวเข้ามาคือเจะชนะโลภะต้องใช้ทานนะไม่ใช่ชนะด้วยลาภะลาภะยิ่งทําให้โลภะหนักหนักข้อเข้าไปใหญ่แล้วไอ้เนี่ยถ้าใช้ภาษาคารวะก็คือว่าไอ้การมีพอ กับการมีมากไม่เหมือนกันคนบางคนมีไม่จัก <พอ S 2> มากก็ไม่พอคนบางคนมีไม่มากนะักแต่ก็พอนะครับอันนี้คือคือความแตกต่างอีกอันนึ่งที่ผมสังเกตนะครับพระอาจารย์ในใ น, ในทศพิธราชธรรมนี่ไม่มีคำว่าปัญญาแสดงว่า ตัวสำคัญของคุณสมบัติของผู้ที่จะเป็นผู้ปกครองคนอื่นหรือผู้ปกครองประเทศเนี่ยมไม่ใช่ว่าจะต้องโอ้โหมีวิสัยทัศน์กว้างไกลนะครับแม้อ่านผู้ภาษาอังกฤษคำไทยคำได้รู้อ่านหนังสือเอเชียบุ๊มีหนังสื อ, อ, อที่แนะนำได้ให้กับคอรอม อ, ร อ, อสัปดาห์ละเล่มไม่ใช่เลยจริงๆแล้วสิ่งที่สำคัญกว่า กว่าโลกวิสัยทัศน์อันนั้นเนี่อันนั้นคือคุณธรรมและจริยธรรมอันนี้น่าสนใจมากสิบข้อเนี่ยกลายเป็นเรื่องทานศีลปริจาคะแล้วก็อาชวะแบบที่อาจารย์ได้พูดถึงอัคโคทะนะฮะขันติอวิหิงสาวิจิตร์ขันตินี่ก็จําเป็นมากใช่ครับมันมันออกมากลายมาเป็นรูปไม่มีรูยแก็ก็จำเท่าใจจะแฝงว่ามันมีอยู่แต่ว่าทัานไม่ให้เด่นเพราะอะไรเพราะว่าผู้นําที่ฉลาดเนี่ยมีที่ปรึกษา ท่านพูดนะท่านพูดไว้คำหนึ่งท่านพูดไว้ดีมากท่านบอกคนดีสำคัญกว่าทุกสิ่งอืใช่ไหมเราจะมาถามว่าฮิตเลอร์ฉลาดไหมท่าพูดถึงไอคิวเขาก็ต้องฉลาดแน่นอนใช่ไหมพอพูดเนี่ยฉลาดนะเขาก็ฉลาดมุโอลินีฉลาดนะฉลาดคนเหล่านี้เป็นคนฉลาดทั้งหมดแต่เขาพาโลกไปทางไหนอ<ช>ืไหเยนะไาเยนะเพราะฉะนั้นท่านพุดนะท่าจริงว่าคนดีสำคัญกว่าทุกสิ่งเพราะถ้าคุณเป็นคนดี คนดีเนี่ยจะมีเสน่ห์อยู่อย่างหนึ่งคือใครก็ต่อใครอยากทํางานด้วยใช่ไหมผู้นำเนี่ยจึงต่างกับผู้บริหารตรงไหนผู้บริหารใช้อํานาจสั่งการผู้นําก็คือคนอื่นอยากเดินตามค่ะดังนั้นผู้นําต้องเป็นคนดีเพราะเป็นคนดีแล้วผู้มีปัญญาจะมาให้ใช้เราให้ใช่อย่างนี้จะดูผู้นําดีไม่ดีนี่ดูคนรอบข้างได้ไหมคะถ้าหากว่าคนดีๆถอยไปทีละคนทีละคนแล้วมีแต่ออะไรอย่างว่ามาอยู่รอบข้างเนี่ยนี่เป็นเป็นตัวบอกอย่างหนึ่งว่าผู้นาชนิดไหนพุทธเจ้าท่านบอกว่าวิธีดูคน บอกว่ายัง เ, เวเสวติตาที่โสคบคนเช่นใดก็จะกลายเป็นคนเช่นนั้นนี่แหละฮะดูคนที่เขาคบสําคัญยิ่งกว่าดูที่ตัวค่ะเรื่องเรื่องปัญญาเนี่ยพอเป็นผู้นําและเป็นผู้นําที่ดีเนี่ยมันจะมีคนที่มีปัญญามากมายเอามาให้เลือกแต่ผมว่าไอการเลือกอันเนี้ยมันจะขึ้นกับ อคุณภาพของคุณธรรมของคนเลือกที่จะเลือกเอาปัญญาอย่างสัมมาก็ได้หรือมิจฉาก็ได้นี่นะครับผมว่าตัวนี้เป็นตัวที่สําคัญเพราะฉะนั้นไอ้คำว่าปัญญาอะไรนี่ไปทีละคนทีละคนอะไรนี่นี่ก็อีกแบบนึ่งครับคุณอันจะพยายามจะดึงข้อดองให้ได้ก็อยากจะชัดจะมาอยากจะเสริมเรื่องปัญญาปัญญาเนี่ยท่านเอาคลุมไว้ข้อสุดท้ายแต่น้าสังเกตอยู่อย่างหนึ่งว่าท่านไม่ได้เอาไว้ชัดเจนเหมือนในบารมีสิบ ที่บอกว่าปัญญาบารมีชัดๆค่ะตัวนี้ท่านท่านไม่ได้เอาวางปัญญาไว้ในนั้นชัดๆแต่ท่านเน้นคําที่กว้างกว่าปัญญา ค, คือคําว่าอาวิโรธนะซึ่งแปลว่าความปฏิบัติไม่คลาดทมคนที่<ช>จะปฏิบัติอะไรก็ตามไม่สวนทางธรรมน่ยต้องคนมีปัญญาเท่านั้น<ช>อืมเพราะฉะนั้นคํานี้เนี่ยมั น, มนเรียกร้องว่าคุณต้องมีปัญญาจึงมาเป็นผู้นําค่ะแต่ท่านไม่เอาปัญญาขึ้นก่อนเพราะอะไรเพราะว่า ความดีมันสําคัญกว่าความมีปัญญาเห็นไหมว่าท่านพูดถึงจริยธรรมทั้งหมดตั้งแต่ข้อหนึ่งข้อเก้าแล้วท่านจึงวางปัญญาไว้ข้อสุดท้ายและเมื่อพูดถึงปัญญาก็ไม่ใช้ปัญญาโดดโดดแต่กลายเป็นว่าปัญญาอิงทํามอีกเพราะอะไรอวิโรธนะแปลว่าความปฏิบัติไม่คฆาตธรรมก็หมายความว่าถึงจะใช้ปัญญาก็ต้องเป็นปัญญาที่มีฐานอยู่บนธรรมะอยู่ดีดังนั้นทศพิราตธรรมน่ยแกนกลางคือตัวธรรมะปัญญาเป็นธรรมะข้อหนึ่งท่านก็เอาไปรวมไว้ในบรรดาธรรมะเหล่านั้น ท่าไม่ได้มอบบทบาทเด็ดขาดว่าต้องมีปัญญาลำหนึ่งไม่ใช่ปัญญากลายเป็นองค์ร่วมในองค์รว ม, อมของทศพิธราชธร ร, รมเสรเห็นไห ม, มเพราะฉะนั้นถ้าเอาปัญญามาก่อนเลยเนี่ยคนจบด็อกเตอร์ก็เป็นนายกได้หมดสิใ ช, ใช่ไหมแล้วพูดอย่างนี้รัชการที่สี่รัชการที่ห้าไม่ได้จบ อ, ออกฟอร์ตนะแต่รักษาประเทศชาติพน้นจากเรือปืนได้ไห ม, มปัญญาของท่านเนี่ยมันมาจากไหนมันมาจากการศึกษาจากการเรียนรู้จากการสั่งสมอบรมบ่มเพาะค่ะ ในไหนพูดแล้วก็อยากจะพูดเลยไปนิดหนึ่งว่าตอนนี้คนไทยเนี่ยเข้าใจผิดเรื่องปัญญานะ <Okay. S 2> เอาปัญญาไปผูกไว้กับดีกรีอืท<า>ั้งเรีย น, นมีดีกรีเนี่ยอาจจะไม่ได้มีปัญญาก็ได้ <Okay. S 2> ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราควรจะตีความเรื่องคนมีปัญญากับคนมีการศึกษาสมัย <Okay. S 2> ว่าคนมีการศึกษาก็จำพวกหนึ่งคนมีปัญญาก็จำพวกหนึ่งถ้าเราตีความไม่ชัด คนยาคนจนซึ่งมาได้เรียนสูงแต่ทำไร่ทำนาให้เราได้กินข้าวทุกวันเนี่ย อ, อาจจะ ก, กลายเป็นคนไม่มีปัญญาไปหมดเลยใช่แล้วจริงๆอยากจะแยกแยะคำว่าปัญญากับความฉลาดอีกอย่างนะครับเพราะว่าอย่า ง, างที่เรียนพระอาจารย์คราวที่แล้วเนี่ยภาษาอังกฤษมันก็สองคำไอ้อคำหนึ่งก็คือ clever อีกคำหนึ่งคือ wisdom คนที่คนที่มีความฉลาดแบบ clever หรือ cleverness เนี่ยก็คือเจ้าล่อน ปัญหาใช้เล่ห์เหลี่ยมกระตั้งมาที่จะทําอะไรได้แต่ว่าอาจจะไม่ได้เข้าใจชีวิตใหม่ทําให้ชีวิตกับวุ่นวายอันนี้ไม่มี wisdom ไม่มีปัญญาอันนี้ผมว่าวันนี้เราก็สับสนกันอยู่อะไรใครที่มีความฉลาดมีชั้นเชิงมีความเก่งกาจเอาชนะคนอื่นได้อันนั้นถือว่ามีปัญญาและก็ไปรวมกับเรื่องความรวยอีกต่างหากที่ว่าเขารวยแล้วเขาจะมีปัญญาใชคะใน